โอกาส บ, บูชาพระรัตนตรัยกาบบูชาครูบาอาจารย์นึง่งถึงหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กาบกระวะหลวงพ่อกมอาจารย์ทรงศิลป์ระจารย์ตุ้มแล้วก็พระเทระเพื่อนสาธมิกสมณเณร เจริญพรแม่ชีอุบาสิาสกาทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2556วันนี้เราก็เรียกว่าเป็นวันสงกรานต์นะเมื่อก่อนอนตาตมายอยู่เชียงใหม่ นะวันนี้เขาก็เรียกกันว่าวันสังขารล่องก็นะนะคือเป็นวันเริ่มต้นนะของการเทศ ก, กาลหมาสงการนะซึ่งก็เป็นเทศกาลที่เรามาแสดงออกถึงความมีน้ำจิตน้ำใจนะที่จะดับร้อนนะทางร่างกาย นะด้วยการลดน้ำให้แก่กันและกัน <c oughs> นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามนะที่ทำให้เกิดนะความสมัครสมานสมัคคีนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจนะที่คนไทยเราจะมีให้แก่กันและกันนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี นะแล้วก็กับผมในตมาเขาคิดว่าหลายๆท่านนะกขาคงจะผ่านกิจกรรมเหล่านี้มากันเป็นอย่างดีแต่ที่เรามารวมตัวกันที่วัดป่าสุกโตในวันนี้นะก็ด้วยที่แต่ละท่านคงจะมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราได้เคยทำมานะมันมันก็ดี <c oughs> นะ แต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอีกนะก็คือการที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานี่แหละนะซึ่งถือเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนานะเรียกว่า บ, บุญที่เกิดจากการสร้างสติสร้างปัญญานะหรือว่าขุดค้นนะสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ย ให้มันอามาใช้การได้นะโดยการนาของหลวงพ่อคาเขียนนะ ท, ท่านก็พยายามที่จะพูดนะให้เราได้ยินได้ฟังให้เราได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติเพราะการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำไม่ใช่เพียงแค่ฟังจดจําแล้วก็เข้าใจว่า นั่นแหละคือความรู้จริงอยู่เป็นความรู้เป็นความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเป็นความรู้ที่จดจำแล้วก็เอามาพิจารณาใช้ความคิดพิจารณาซึ่งเป็นความเป็นความรู้ในระดับความจำหรือความคิดความรู้ในระดับความจำหรือความคิดเนี่ยมันก็ มันก็ดีในระดับหนึ่งที่ปลุกปลุกให้เกิดความเชื่อมั่นหรือว่าเกิดศรัทธาในที่จะปฏิบัติต่อไปแต่ถ้าเราหยุดยัง้งอยู่แค่รู้จำรู้จักเท่านั้ น, นก็ไม่เพียงพอเพราะเมื่อใดก็ตามที่มันมีเรื่องที่เราคาดไม่ถึงมากระทบกระเทือนใจทำให้เราทุกอกทุกใจ ร้อนอกร้อนใจความคิดความจำตรงนั้นมันช่วยไม่ได้หรือมันอาจจะช่วยได้เหมือนกันนะถ้าเราเราเอามาเราคิดทันนะที่เราปรับตัวได้ทันนะบางทีมันก็ไม่ทันการเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังไปแล้วจดจำได้แล้วเราก็ต้องเอาไปทดลองทำเอาไปพิสูจน์ คำพูดนะที่ท่านได้พูดที่ท่านได้แนะนะว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมในอย่างที่ท่านบอกว่าการเรียนรู้กายใจนั้นนะเราเรียนรู้ตรงๆเลยนะเอากายเอาใจเป็นตาราเอาสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนักศึกษาเพราะนั้นมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะไม่ต้องอ่านหนังสือเลย หนังสือที่เป็นเล่มๆนี่มไม่ต้องอ่านเลยก็ได้นะเพียงเราได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติไปกระทาการปฏิบัติหรือการกระทำเนี่ยนะก็อย่างที่พวกเราทำกันอยู่ขณะ น, นี้นะการยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะก็ดีนะการเดินจงกรมก็ดีการใส่ใจที่จะมีความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหว ในกิจวัตรประจําวันก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็เป็นการที่น้อมนําเอาคําพูดคําสอนนะที่ท่านได้พูดไว้นะมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่เรามานั่งสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเดินจงกรมก็ดีเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ นะสิ่งแรกที่จะเห็นได้ชัดๆก็คือการเคลื่อนไหวของกายแต่ก่อนนั้นเราเคลื่อนไหวไปโดยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะเราเราทำไปตามความเคยชินนะเราไม่รู้ตัวดีแต่บางทีเราเดินเนี่ยเราก็เดินไปแล้วก็คิดไปเรากินข้าวล้วก็กินไปแล้วก็คิดไปนะหรือแม้แต่เราตะกี้นี่เราสวดมนต์บางคนอาจจะสวด สวดมนต์ไปทำวัดไปก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะหรือว่ารู้ตัวไม่ชัดนะโดยเฉพาะในเช้าวันนี้เนี่ยนะถ้าใครยังรู้สึกง่วงเหงาเศร้าซึมอยู่นะก็ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นแล้วนะตื่นจากที่หลับที่นอนแล้วนะตื่นจากหลับ นะไม่พอนะมันจะต้องตื่นใจด้วยไม่ใช่ตื่นแต่กายนะบางคนอาจจะตื่นกายแต่ใจไม่ตื่นนะตอนนี้ยังงกง่วงอยู่นะยังสลึมสลืออยู่นะเรียกว่าตื่นยังไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นต้องปลุกให้มันตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจด้วยนะแล้วไปย่านั่งนิ่งๆนะนั่งสร้างจังหวะ ก, ก็ได้หรือว่าจะลงหายใจก็ดีนะอย่าไป คบหานะอย่าไปนิยมนะกับความสงบแบบนิ่งๆเ่ยความสงบแบบไม่รู้อะ่ะมันก็เป็นอาการหนึ่งของความลืมตัวได้ง่ายนะแล้วมันชวนให้เราง่วงนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีมาแล้วนะที่เราตกอยู่ใต้อํานาจของความงกง่วงตกอยู่ใต้อํานาจของความคิด ตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์ที่มันกดหัวเราผักไสเราให้เราทำตามเขาเราเรียกว่าเป็นทาสเขามาตลอดเมื่อไหรเราจะปลดปล่อยตัวเองสักทีหนึ่งที่จะเป็นอิสระาจากสิ่งเหล่านี้การที่เรามาเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ย นะก็ถือว่าเป็นการที่เรามาปลดปล่อยตัวเราเองนะออกจากความคิดอารมณ์ต่างๆนะเพราะธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราถอนตัวนะออกจากความคิดปรงแต่งทุกอย่างนะซึ่งความคิดปรุงแต่งเนี่ย <c oughs> ถ้าเราสังเกตให้ดีนะเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเราไม่รู้ตัวนะเราก็จะทำอะไรไปตามความคิดต่างๆนั้นนะบางทีก็ทำให้เรามีความสุขบางทีก็ทำให้เรามีความทุกข์บางทีก็ให้เรามีพอใจบางทีก็เสียใจนะชีวิตของคนที่ไม่มาไม่มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของตัวเอง ไม่ได้มาเจเริญสติจะทำให้เป็นชีวิตที่วนเวียนนะพบบนนะอยู่ในกรงขังนะของความคิดปรุงแต่งของอารมณ์ต่างๆนะเรียกว่าถูกกักขังอยู่ในอยู่ในคุกนะอยู่ในคุกของความคิดปรุงแต่งแต่ไม่ได้ก็ตามนะที่เรากลับมารู้สึกตัวนะตรงนั้น่ะ ก็คือเรามีกุญแจแล้วนะหลวงพ่อเทียนใช้คำว่ากุญแจดอกเอกเป็นกุญแจดอกเอกที่จะไขนะให้ใจเนี่ยมันออกมาจากความคิดปรุงแต่งหรือถอนตัวออกมาจากความคิดปรุงแต่งให้เป็นอิสระนะเป็นอิสระซึ่งเป็นสภาพดั้งเดิมของเขานะเป็นจิตเดิมแท้ <c oughs> ที่เป็นอิสระนะ เป็นอิสระเพราะว่ารู้ความจริงว่าความคิดพุงแต่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์นะก่อให้เกิดการยึดติดนะก่อให้เกิดความหนักอกหนักใจนะก่อให้เกิดความไม่ไม่เป็นอิสระนะแล้วเราก็ไปหลงนะในสุขในทุกข์หลงในความพอใจไม่พอใจคําว่าหลงในที่นี้หมายถึงว่า ถอันไหนเป็นสุขเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆอันไหนที่เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากให้อยู่กับเราจะสุขหรือทุกข์จะสุขหรือเศร้าไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเขาจะอยู่เขาจะมาเขาจะไปก็ เ, เป็นเรื่องที่เขาจะมาจะไปเองนะเราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาให้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาหรือ ใะออกไปจากตัวเราได้นะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะชีวิตของคนที่ไม่เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยจึงเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยซึ่งชีวิตที่ผ่านมาของตัวผมนิธิมาเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะและหลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์อย่างนี้นะ เพราะนั้นการที่เราม า, เ, าเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะก็เพื่อที่จะปลดปล่อยนะตัวเองปลดปล่อยจิตใจนะให้คืนสู่ความเป็นปกตินะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะไม่ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์สุขทุกข์มีอยู่แต่เราไม่เข้าไปเป็นกับมันนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะ เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเป็นชีวิตที่อนอสุขเหนือทุกข์นะเป็นชีวิตที่สัมผัสกับความเป็นปกติของใจธรรมชาติที่เป็นเดิมแท้นะของใจนะซึ่งเป็นชีวิตที่มีอยู่แล้วแหละนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจหรือเราไม่ได้มองหรือไม่ได้เห็นเขานะ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามาเจริญสติบ่อยๆการการเจริญสติในแนวเคลื่อนไหวนี้นะเราจะต้องอาศัยทําบ่อยๆทำเรื่อยๆให้เกิดความชำนาญแรกๆเนี่ยมันก็ยังไม่รู้อะไรหรอกได้ยินได้ฟังความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างไร มันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็คิด น, นึกวอนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการเรียนรู้ด้วยความคิดการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ส่งเสริมให้เราคิดนะแต่การเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยทิ้งหมดเลยนะแต่ใช้การสัมผัสรู้รู้ลงไปตรงๆขณะที่เรายกมือเราก็รู้ ว่าเรายกมือเราหยุดเราก็รู้ว่าเราหยุดเราก้าวเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเพียงแค่รู้สึกเฉยๆเท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้ลึกกว่านั้นรู้ตรงนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันจะทำให้เรา เ, เห็นว่าอ๋อความรู้สึกตัวมันก็คืออย่างนี้เองนะซึ่งบางทีมันก็พูดออกมาเป็นเป็นเป็นภาษา นะไม่ได้นะแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเริ่มเริ่มจากการที่เรารู้กายที่เคลื่อนไหวนี่แหละนะเป็นดุนเป็นก้อนยังไม่ต้องไปวิเคราะห์ยังไม่ต้องไปแยกแยะนะว่ามันเป็นอะไรมันอย่างไงนะให้รู้การเคลื่อนไหวบ่อยๆสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะรู้บ้างเผลอบ้าง รูบ้างเผลอบ้างเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่หลายคนนะเมื่อมาแล้วก็ตั้งใจอยากจะให้มันรู้เร็วก็เลยไปเรียกว่าตั้งใจเกินไปน ะ, ะใช้มันรู้ตลอดเวลาจะไม่ยอมให้มันเผลอเลยนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดอาจจะทําให้เกิดความหนักขึ้นมานะ บางคนอาจจะหนักหัวบางคนอาจจะหนักใจบางคนอาจจะอึดอัดไปเลยนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายจิตใจเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องฟังสัญญาณฟังเสียงเตือนจากร่างกายและจิตใจเหมือนกันนะเราก็ต้องหาทางผ่อนคลายนะอย่างบางคนเดินจงกรมเพ่งจ้อง นะเราก็อาจจะต้องมองออกไปไกลๆบ้างนะปล่อยอารมณ์ออกไปข้างนอกบ้างนะการเริ่มต้นใหม่บางทีเราก็เพ่งเข้าไปข้างในมากเกินไปนะมันก็จะเกิดอาการหนักนะ เ, เกิดอาการมึนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยต้องอาศัยความแยบคายต้องอาศัยการสังเกตนะไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะสังเกตดูอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น เมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวนะเห็นใจมันนึกมันคิดบางทีมันก็มีบ้างแวบๆเข้ามาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งความคิดเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจเลยนะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่หรือแม้แต่คนเก่าก็ตามนะสมัยก่อนตัวกุมริตรมาเองไม่เข้าใจไปอ่านหนังสือธรรมะหลายเล่มไปฟังผู้รู้คนนั้นคนนี้พูด เขาบอกว่าการเรียนธรรมะเนี่ยเราต้องมาดูจิตนะเราต้องมาดูใจนะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจิตใจมันเป็นไงเรารู้แต่ความคิดนะเราก็ดูความคิดความคิดมันเกิดยังไงมันดําเนินไปยังไงมันดับยังไงนะซึ่งตรงนี้บางทีเราก็มึนไปเลยนะสมัยไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆเนี่ยนะท่านก็เห็นว่าเราจบระดับปริญญาเป็นปัญญาชน นะท่านก็แนะว่าเออดูความคิดเลยนะเราก็ฟังไปแล้วเราก็ทำไปนะเพราะกลัว่ามึอนอยู่หลายหลายเดือนทีเดียวนะเพราะเราไปดูไปตามความคิดนะดีมาเจอหลวงพ่อคำเขียนนะช่วงนั้นท่านลงไปวัดสนามในท่านไปช่วยหลวงพ่อเทียนนะในการจัดอบรมเจริญสติอยู่ครั้งหนึ่งนะก็ได้เรียนสอบถามนั้นว่าทำไมผมบุนหัวจังเลย ทำไมผมหนักหัวจังเลยท่านก็บอกว่ า, เ, าเราดูความคิดเราตามความคิดใช่ไหมนะก็บอกใช่ก็อยากจะดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงนะตามหนังสือที่เขาบอกนะความคิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ยังไงหลวงพ่อคำเข่งก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะถ้าความรู้สึกตัวเรายังไม่เด่นชัดพอเนี่ย ให้เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อน น, นี่เป็นฐานสำคัญเส้นก็ไปตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่กายก่อ น, นก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานแต่เรานี่เล่นกระโดดข้ามไปดูจิตเลยเรียกว่าจิตต า, านุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งมันข้ามขั้นเกินไปฐานแล้วยังไม่ดีเลยเพราะนั้น พอเรากลับมาดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยโอ้โหมันทำอยู่วันสองวันเนี่ยมันโล่งเลยนะหัวมันโล่งมันเบาขึ้นเราก็เห็นอาการโล่งอาการเบานะตอนแรกก็ไปติดเหมือนกันไปติดโอ้โหมันโล่งมันเบาโอ้นี่นี่มั้งเนี่ยนะเป็นที่สุดของมันนะนะก็คิดว่าจะเป็นเงินเอาไม่ใช่อีกเดี๋ยวมันก็หายไปอีกเดี๋ยวมันก็มาหนักอีกนะ มันหนักมันเบาก็ไม่เป็นไรนี่แนะ่ะคือเป็นอาการที่กายและใจเขาเป็นไปเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าขณะนั้นน่ะการเรียนรู้ธรรมะก็คือเรียนรู้สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าขณะนั้นไม่ใช่เป็นความจดจำได้จากการได้ยินได้ฟังหรือการอ่านหนังสือธรรมะเพราะนั้นมาที่นี่เนี่ย กับผมนี่ตา ม, มาอยากจ ะ, ะชักชวนว่าทิ้งตำราทั้งหมดเลยนะแล้วมาดูที่กายที่ใจของเรานี่ตรงไปตรงมาเลยไม่โกหกเลยและเป็นเรื่องที่เห็นจริงๆเป็นความจริงที่ปรากฏเป็นความจริงที่ไม่ต้องอาศัยความคิดนะตรงนี้ทีนี้พอเรามาดูกายที่เคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวบ่อยๆ นะมันจะมีอาการปวดอาการเมื่อยนะมันจะมีความง่วงเหงาเหานอนนะความฟุ้งซ่านนะความลังเลสงสัยนะพวกนี้มันจะเกิดมันจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็ <c oughs> นบทเรียนทั้งนั้นแหละนะเป็นบทเรียนที่เราจะให้มาเรียนรู้โดยเฉพาะความง่วงเนี่ยนะโอ้โหมันมีเอ่อน้ําหนักมาก มันจะกดทับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมจำนวนเขาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราต้องไม่ยอมจำนวนถ้ายังสติยังไม่มีขันสติยังไม่มีก็เอาขันติไปก่อนอดทนไม่ไม่ไม่ทำตามเขาเช่นช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราไม่นอนเราไม่เข้ากุฏินอนไม่ว่ากรณีใดๆยบเว้นเจ็บป่วยอย่งจริงแต่เจ็บป่วยนี่ก็ต้องดูเหมือนกันนะบางทีมันก็ กิเลสนี่มันก็มีวิธีการนะให้เราเจ็บป่วยเหมือนกันแล้วก็คิดเอาว่ามันเจ็บป่วยนะสมัยที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกว่ากลางวันเนี่ยไม่นอนนะทำอย่างเดียวจเจริญสติอย่างเดียวนะแต่กลางคืนต้องนอนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่เราจะตั้งสัจจะ ก, กับตัวเองมันจะเง่องขนาดไหนก็ต้องแก้อารมณ์มันนะ นางสร้างจังหวะง่วงทําให้มันเร็วขึ้นดีสิมันจะแก้งง่วงไหมลืมตา ต, ตๆนะอย่าไปรีรีกับมันแต่ไปรีตาก็ไปร่วมกับมันแล้วทอดสะพานให้มันแล้วทํามันนั่งอยู่นะ <c oughs> มันยังง่วงอยู่ก็ลุกขึ้นเดินนะเดินถ้ามันยังง่วงอยู่เดินถอยหลังเดินเร็วเดินช้าอะไรเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องเป็นปรับ นะด้วยตัวเราเองนะต้องหาวิธีการแก้ไขด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นครูที่แท้จริงเนี่ยก็คือตัวเรานะยังชอบใจที่หลวงพ่อคำเกียรตินั้นพูดอยู่เสมอว่าครูที่แท้จริงก็คือตัวเร า, าการได้ลองผิดลองถูกมันจะทำให้เราสรุปบทเรียนด้วยตัวเราเองแล้วมันจะสอนตัวเราเองว่าเนี่ย เดินไปทางนี้มันถูกเดินไปทางนี้มันผิดนะแล้วมันจะเป็นประสบาการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเมื่อทาบ่อยๆทำเรื่อยๆกับการรู้สึกกายเคลื่อนไหวเนี่ยนะทำจนชำนาญนะในระหว่างนั้นมันก็จะมีความคิดแว บ, บมาแวบบไปเพราะฉะนั้นความคิดอะไรมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเล้นะทิ้งให้หมดเลยคิดดีคิดไม่ดีตั้งใจคิดหรือไม่ได้ตั้งใจคิดก็ตาม ทิ้งให้หมดเลยนกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆทีนี้บางคนอาจจะสงสัยแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราพัฒนาหรือไม่พัฒนาสิ่งที่เราจะเห็นได้เนี่ย <c oughs> อย่างน้อยๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคิดสักสิบเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ทันเลยสักเรื่องหนึง่งมันเผลอไปหมดความคิดมันเราไปกินหมดแต่พอเรามาทําอย่างนี้เนี่ย คิดสักิเรื่องเออเราเริ่มรู้ทันเรื่องหนึ่งนะอีก9เรื่องไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรพยายามต่อไปทำต่อไปคิด10เรื่องรู้ทัน2เรื่องอีก8เรื่องไม่รู้นะทำต่อไปคิด5้าเรื่องคิด10บเรื่องรู้5เรื่องนะเมื่อจะรู้ทันเรื่อยๆพอทาไปทำไปคิดปุ๊บรู้ปับคิดปุ๊บรู้ปับตรงนี้ได้อัตโนมัติแล้วแล้วมันเป็นเองนะ อย่าไปคิดคิดให้มันเป็นนะไม่ใช่เดี๋ยวฟังวันนี้แล้วก็จะเอาไปทําให้มันเป็นอย่างนั้นเลยลึกคิดให้มันเป็นอย่างนั้นเลยตรงนี้ต้องระวังเพราะความคิดนี้เขามีเล่ห์เหลี่ยมนะเขามีเล่ห์กลพอสมควรนะทีนี้นในระหว่างการทําเนี่ยในะบางทีมันก็มีปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะอย่างเมื่อวานมีคนนึงบอกว่า ตื่นเช้ามาไม่รู้เป็นอะไรมันแสงสว่างเกิดขึ้นเลยมันเป็นอะไรนะนี่มันก็เป็นเป็นอาการของของจิตที่มันจะแสดงออกมานะเราก็ให้รู้แล้วก็ผ่านนะไม่ต้องไปติดอยู่กับมันนะหรือบางคนเดินจงกลมไปแล้วนะตัวเบาสบายนะมีปิติทรสั้นนะคิดว่าเนนี้เป็นที่สุดแล้วนะบาง อยากให้มันอยู่กับเรา น, น, นานๆแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานนะบาทีมันก็อยู่ได้นานนะแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็เสียดายอยากให้มันมาอีกนะประนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสติเนี่ยก็คือการที่เราผ่านอารมณ์ทุกๆอารมณ์นะแล้วก็กลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนะกลับมาสู่ความเป็นปกติของใจให้ได้บ่อยๆนะตรงนี้ให้มันคุ้นชินนะกับสภาพของความเป็นปกตินที่เป็นสมถะ Uh, ธรรมชาติเดิมแท้นะของจิตนะซึ่งตรงนี้นะก็จะเป็ น, ปน ท, ที่พึ่งนะเป็นที่อยู่นะ ข, อของจิตนะที่แท้จริงแต่ธรรมชาติตรงนี้เนี่ยอย่าไปคิดที่จะให้มันเป็นนะมันต้องเป็นของมันเองนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราอยากให้มันโตเราไปสั่งให้มันโตไม่ได้ มีแต่หน้าที่ลบน้ำคลดินนั้นนั่นเองนะเหมือนกันความเป็นปกติของใจเป็นสิ่งที่ก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็แสดงตัวของเขาอยู่แล้วทุกเมื่อเชื่อวันแต่ที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเราไปหลงนายอยู่ในความพอใจความไม่พอใจนั่นเองนะเพราะเราไม่รู้ตัวนั่นเองมันนั้นถ้าเรารู้ตัวแล้วความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นกุญแจที่จะเปิด นะประตูที่มันปิดกัน้นหรือม่านที่มันปิดกั้นนั้นให้เราได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจที่มีอยู่แล้วนะซึ่งเป็นสภาพจิตเติมแท้ที่ส่องสว่างนะสดใสนะอยู่แล้วอย่างเช่นขณะที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตจิตใจของเราเป็นปกติเฉยเฉยนี่แหละคือธรรมชาตินะที่มีอยู่แต่ถ้าเรา สลุมสลืเรายังไม่ตื่นนะเราก็จะไม่สัมผัสเรื่องนี้นะเพราะนั้นอาการเหล่านี้เนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นนะเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอจริงๆมันมีมาตั้งนานแล้วนะเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าน้อยคนนักนะที่จะได้มาสัมผัสกับตรงนี้นะเราไจะเราจะคุ้นกับความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์ น่ะสะเป็นส่วนใหญ่นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตนะเราต้องอาศัยความรู้สึกตัวนที่เราได้เพียรพยายามนาที่จะทำให้ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้เท่าทันแล้วกลับมารู้สึกตัวอย่าไปเพลินนะกับความสุข กับปิติสุขนะหรือความสงบนะขณะที่เกิดขึ้นให้รู้นะไมแม้แต่บางทีทําไปทําไปก็เกิดความคิดดีๆขึ้นมาเกิดโครงการดีๆขึ้นมาเกิดอยากทําบุญขึ้นมานะอันนี้ก็ต้องรู้ตัวเหมือนกันนะว่ามันก็เป็นรูปแบบของความคิดที่มันมันดีนะแต่มันเนียนอ่ะ นะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทีย น, นท่านใช้คําว่าความมืดสีขาวนะซึ่งเป็นความมืดที่เราไม่รู้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้นะเราคิดว่าเออมันดีแล้วมันทําให้จิตใจเราฟูขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เอาบุญเราจะไม่ทําดีอะไรไม่ใช่นะเราก็ทําไปตามปกตินะแต่ทำด้วย สติสัมปชัญญะนะบุญก็ทำแต่ไม่ติดบุญนะบาปนี่ไม่ทำแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราไม่ปกตินะทำให้จิตใจของเรานั้นหยาบกร้านเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราก็เรียนทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งพอใจไม่พอใจและสุดท้ายคือปกติ นะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นะที่ เ, เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่ที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุขตัวแห่งนี้เนี่ยนะสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ควรจะทํามากที่สุดก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องอื่นก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะสามารถที่จะทําทได้ ในขณะที่เราทํากิจวัตรประจําวันต่างๆนะแล้วก็ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะเมื่อเราว่างเว้นจากสิ่งที่เราทําแล้วนะ <c oughs> มีเวลาให้เราทําในรูปแบบให้เต็มที่นะอย่าปล่อยเวลาให้โมูไปพูดไปคุยกันโดยเฉพาะคนที่มากันเป็นกลุ่มนะมีเพื่อนมีฝูงเนี่ย ทีมันอดคุยกันไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพยายามให้โอกาสแก่กันและกันด้วยการงดการพูดคุยเลยเหมือนกับเราบำเพ็ญบารมีสิบเนี่ยเริ่มจากพระเตมีใบเนี่ยนะบารมีอันแรกเลยก็คือนิ่งแหละเงียบแหละถ้าเรานิ่งเงียบเนี่ยมันจะมีเวลาให้เวลากับตัวเราเองในการที่เราจะมาดูกายดูใจของเราชัดเจนขึ้นนะ ตรงนี้เนี่ยจะจะช่วยสนับสนุนเพราะเราคุยกันมามากแล้วโทรศัพท์มือถือถ้ามีเนี่ยถ้าไม่จาเป็นจริงๆนะมันไม่มีเรื่องด่วนจริงๆนะปิดเลยไม่ต้องใช้เลยระหว่างอยู่ที่นี่นะเอาไว้เดี๋ยววันสุดท้ายก็ยใช้นะและ้วก็การนอนนะก็นอนไม่ต้องมากนะเอาพอที่มันจะช่วยให้เราหายเมื่อยล้า นะแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำความเพียรต่อไปนะโดยเฉพาะพระที่บทใหม่เนี่ยมีเวลาน้อยเนี่ยนะอยากจะชวนพวกเรานะทำเรื่องพวกนี้ให้เต็มที่นะเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตในโลกต่อไปนะตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนสำคัญนะยังชอบใจคำที่หลวงพ่อเทียนท่านแนะนำเอาไว้สมัยนั้นว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อย แต่ทำไม่มากตรงนี้จะเกิดผลและถ้าเราทำมากๆมันจะพิสูจน์คำท้าของท่านนะที่ท่านบอกว่าถ้าเจริญสติแบบต่อเนื่องนะเป็นลูกโซนะ่อย่างเร็ว1วันถึง90วันอย่างกลาง1ปีอย่างนาน3ปีนะอา น, นิสงส์ท่านบอกไม่ต้องพูดถึงเลยความทุกข์มันจะลดลง นะความทุกข์ในใจความหนัก อ, อกหนักใจมันจะลดลงสิ่งที่เคยหมักหมมอยู่ในใจเนี่ยมันจะถูกชำระล้างออกไปจริงไม่จริงคำพูดคำท่านี้เราต้องมาพิสูจน์และเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ในยุคนีนะ้ท่านได้ท้าทายพวกเราไวนะ้เพราะนั้นการมาที่นี่นะถือว่าเรามาพิสูจนะ์พิสูจน์คำท่าของครูบาอาจารย์เป็นจริงหรือเปล่านะเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ศรัทธาจากการได้ยินได้ฟังเท่านั้นแหะแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วเกิดผลเออนั่นแนหะศรัทธามันจะมั่นคงนะเส้นตัวก็ผมได้ามาเองแต่ก่อนก็ศรัทธาจากการได้ยินได้ฟังนะก็เป็นศรัทธาในระดับหนึ่งบางทีก็หลงหลงลืมๆื ม, ม, มทำบ้างไม่ทําบ้างนะไม่ได้จริงจังอะไรนะต่อเมื่อเรามาทดลองทําแล้วมันเกิดผลขึ้นมาโอ้จริงเนาะคำพูดของครูบาอาจารย์ เราพิสูจน์ด้วยการกระทาเราไม่ได้ยินดีเพียงแค่จดจำเอาคาพูดของท่านนะเท่านั้นแต่เราเอามาพิสูจน์ลองทำดูนะซึ่งแน่นอนละมันก็จะมีความยากลาบากบ้างมันก็จะฝืนความเคยชินบ้างนะตรงนี้แหละมันจะทำให้เราแข็งแรงนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งสิ่งสำคัญนะที่ที่เราจะใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงการเนี่ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะในระยะเวลาไม่นานนี้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะในในเช้าวันนี้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะกับทุกท่านบ้างนะแต่จะจะเป็นประโยชน์จริงๆก็คือลองไปพิสูจน์ดูสิ่งที่ได้นำเสนอนี้เป็นจริงไหมนะถ้าพิสูจน์แล้ว ทำแล้วมันไม่เกิดผลก็แสดงว่าไม่จริงอะไรอย่างนี้เราจะได้สรุปรด้วยตัวเราเองได้นะก็อย่างหลักการมรสตรก็บอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดนะ่าเชื่อหรือว่าเชื่อเพราะสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดนะเราก็ต้องเอาไปพิสูจน์นะมันก็จะเป็นความจริงขึ้นมาหรือไม่เป็นความจริงก็ต้องพิสูจน์กันดูน ะ, อ, ะอันนี้ก็คิดว่า พูดมาพอสมควรแก่เวลานะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็คือพระพุทธก็คือสติปัญญาที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานที่มีอยู่แล้วในตัวเราพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่ปรากฏให้เราเห็นนะด้วยตาใน ก็คือความรู้สึกตัวทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราและก็เกิดขึ้นภายนอกตัวเราแล้วก็พระสงฆ์นะก็คือการประพฤติปฏิบัติความเพียรพยายามของเราของทุกท่านแต่ละคนนะประกอบด้วยความเพียรความอมดทนนะที่ทุกท่านได้ทุ่มลงไปได้เสียสละเวลามาในครั้งนี้ จงเป็นพระวะปัจจัยหนุนส่งในทุกท่านได้เห็นนะความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นที่สุดของทุกในเรยววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร